อันนี้สมชัยลองเพ่งให้กันนะลองมาไนะี่ยใจสะโซเกาใช่ไหมแต่กระบบนเนี่ยใหกันนะความหมายมันอาจจะเป็นคำอื่นก็ได้เพราะเราไม่รู้ภาษามันใช่ไหมละ่ะพวกคูบาพวกคูบาทั้งหลายช่วยๆกันดูนะกะถินนะฝึกซ้อมกะถินมันช่วงใกล้ๆกล่ะ พุที่มีส่วนซักซ้อมกรถิ่นกนัซ้อมกรถินไว้องค์ไหนองค์ศวดองค์ไหน อ, อุปโลกและก็พร้อม ก, กันก็นันดประชุมพระใหม่ซ้อมประวรัลนาออกพรรษาด้วยพูดเลียงตัวเลยตั้งแต่พระใหม่ตั้งแต่พวงไหนไม่เคยผ่านพรรษา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 หลวงพ่อว่าอยากนะคล้าๆว่าจิตใจแต่มันดิ่งไปเออรีอกว่าโกรธกันหรือพยาบาทกันนี่แหละคราๆว่าใจมันออกไปทางนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วจะมาภาวนาทำจิตใจให้สงบมันเป็นไปไม่ได้เลยพูดง่ายๆ อ, อ, อันนี้ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังพวกเราเออให้สังเกตดูนะเพราะนั้น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 คือเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าอันนี้คืต้องคิดไว้ในใจคือความเมตตาเนี่ยเป็นหลักทางคนมีที่มีเมตตาแล้วอยู่นัชสถานที่ใดไปนัชสถานที่ใดอยู่ในชุมชนกลุ่มใดด้วยมากกับมีแต่ไว้เนื้อเชื่อใจกันความร่มเย็นเป็นสุขเพระนั่นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะการอยู่ด้วยกันไม่ถึงร0อยปีอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดแล้วพูดอีกออต่างคนก็ต่างมาเจอกัน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 จะทำยังไงวิธีการหยุดนพระพุทธเจ้าว่าให้มีสมาธิสมาธินั้นทําอย่างไรกําหนดลมหายใจเข้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านจัตสรูเนี่ยที่โคนต้นโพทันว่าเราเนี่ยจะทําสมาธิกําหนดลมหายใจหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออก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 ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตใจของเราอยู่ที่ปลายจมูกเท่านั้นจุดจุดที่นั่นดูอยู่ที่นั่ น, น, นให้มีสตินะต่อไปกจิตของเราก็จะรวมเป็นหนึ่งพอจิตใจรวมเป็นหนึ่งจิตใจที่ไม่หิวไม่โหย่ยจิตใจที่ไม่พวักพวบนจิตใจไม่ทุลนทุลายจิตใจเน่งพอจิตใจเน่งนะจะนามาวิเคราะห์เรื่องอะไร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 ศรัทธาญาติโยมผู้ที่ใยใจใ่ใจเพื่อการปฏิบัติท่านก็สอนพระในศรัทธาญาติโยมในครั้งพุทธกาลโดยมากเลยพระโสดาบันอยู่กับญาติโยมเยอะแต่จะถึงขั้นพระอรหันต์นั้นน้อยไม่เหมือนพระพราะพระเน่ยตัดตั ด, ตดเรื่องทางโลกออกมาแล้วกับนี่แหละมามุ่งมั่นต่อฝ่ายธรรมะจากนั้นก็ฝึกฝนเรื่องจิตใจ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 วิธีเอา้าหาเงินเถอะนะก็พูดไนดะ้ก็หาเงินเมันพูดได้หาเงินแต่วิธีการหาแล้วทํำยังไงมันไม่ใช่ของง่ายในะการหานะอันนี้ก็เหมือนกันหาธรทำเราก็พูดง่ายแต่จะเดินจะไงจึงจะได้ทำมานะมันเป็นเรื่องของจะต้องใช้สติตต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความบารมีต่างหากนะไม่ใช่ว่า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 ฟังฟังดูแล้วในพระไตรปิฎก ท, ท่านพูดท่าฟังน้เหมือนเหมือนกับเราจะสุดเอื้อมเหมือนกันนะแต่ถึงยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่เหลือวิสัยเดินได้นี่แหละทางเดินคือมักแปดนี่แนหะสมาธิเป็นเบื้องตน้นสมาสมาธิเป็นปริโยสารเป็นสุดท้ายไม่เหนือจากนี้นะเพราะในใพวกเราเดินเดินดูนะเดินดูบำเพ็ญดู